อันเตวาสิกวัตกถาว่าด้วยอันเตวาสิกวัตข้อ79ภิกษุทั้งหลายอาจารย์พึงประพฤติชอบในอันเตวาสิกวิธีประพฤติชอบในอันเตวาสิกนั้นมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายอาจารย์พึงสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์อันเตวาสิกด้วยอุเทศปริปุจฉาโอวาทและอนุสาดถ้าอาจารย์มีบาทอันเตวาสิกไม่มีบาท อาจารย์พึงถวายบาทแก่อันเตวาสิกหรือพึงทำการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนาบาทพึงเกิดขึ้นแก่อันเตวาสิกถ้าอาจารย์มีจีวรอันเตวาสิกไม่มีจีวรอาจารย์พึงถวายจีวรนแก่อันเตวาสิกหรือพึงทาการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอจีวรพึงเกิดขึ้นแก่อันเตวาสิกถ้าอาจารย์มีบริขารอันเตวาสิกไม่มีบริขาร อาจารย์พึงถวายบริขารแก่อันเตวาสิกหรือพึงทําการควนขวายว่าด้วยบายอย่างไรหนอ บ, บริขารพึงเกิดขึ้นแก่อันเตวาสิกท่านเตวาศิกเป็นไข้อาจารย์พึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ถวายไม้ชําระฟันน้ําล้างหน้าปูอาสนะผ้าข้าวต้มมีพึงล้างภาชนะใส่ข้าวต้มเข้าไปถวายเมื่ออันเตวาศิกฉันข้าวต้มเสร็จแล้วพึงถวายน้ํา รับภาชนะมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดล้างแล้วเก็บงําไว้เมื่ออันเตวาสิกลุกขึ้นแล้วพึงยกอาสนะเก็บถ้าที่นั้นรกพึงกวาดท่าอันเตวาสิกต้องการจะเข้าโมบ้านพึงถวายผ้านุ่งรับผ้านุ่งอาศัยถวายประโคดเอวถวายสังคาติที่พับซ้อนล้างบาทแล้วถวายพร้อมทั้งน้ําปูอาสนะไวา้ด้วยกําหนดว่าเวลาเพียงเท่านี้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 พึงเก็บบาทและจีวรเมื่อจะเก็บบาทพึงใช้มือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งทำใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็บจีวรไม่พึงเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งลูบเปล่าจีวรหรือสายระเดียงเอาชายไว้นอกเอาขนนดไว้ในจึงเก็บจีวรเมื่ออันเต е วาสิกลุกขึ้นแล้ว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 จึงออกจากเรือนไฟพึ่งทําบริกรรมแก่อันเตวาสิกแม้ในน้ําตนทรงสเสร็จแล้วพึงขึ้นก่อนเช็ดตัวให้แห้งแล้วผัดผ้าพึงเช็ดน้ําจากตัวอันเตวาสิกถวายพระนุง่งสังคติถือตั๋งสําหรับเรือนไฟมาก่อนป u a r สนะเตรียมน้ําล้างเท้าตั๋งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้นําน้ําฉันมาถวายอันเตวาสิก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 คนออกไปตั้งไว้หน้าที่สมควรเขียงรองเตียงกระโถนพนักพิงพึ่งขนออกมาวางไว้หน้าที่สมควรพรมปูพื้นพึ่งสังเกตที่ปูไว้เดิมค่อยคนออกมาวางไว้หน้าที่สมควรถ้าในวิหารมีอยากเยื่อพึ่งกวาดเพดาน ล, ลงมาก่อนกรอบหน้าต่างและมุมห้องพึ่งเช็ดถ้าฟ้าที่ทาน้ำมันหรือพื้นทาสีดำขึ้นรา พึงใช้ผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ดถ้าเป็นพื้นที่ไม่ได้ถ่าพึงใช้น้ำปรับผมเช็ดอย่าให้วิหารคลาค่ำด้วยฝุนละอองพึงเก็บหยาดเกี้ยวไปทิ้งในที่สมควรพรมพูพื้นพึงพึงแดดชําระตบขนกลับปูไว้ตามเดิมเขียงรองเตียงพึงพึงแดดเช็ดขนกลับวางไว้ตามเดิมเตียงตังพึงพึงแดดชําระปัดยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูด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 ไม่พึงเก็บบาดไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งลูปราวจีวรหรือสายระเดียนเอาชายไว้นอกเอาขนดไว้ในจึงเก็บจีวรถ้าลมเชือ้อฝนล่องพัดมาทางทิศตะวันออกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออกถ้าลมพัดมาทิศตะวันตกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตกถ้าลมพัดมาทางทิศเหนือ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 พึงตักน้ําใส่หม้อชําระถ้าอ um ันเตวาสิกเกิดความไม่ยินดีอาจารย์พึงช่วยระงับหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยระงับหรือพึงแสดงธรรมมกระถาแก่อันเตวาสิกถ้าอันเตวะสิกเกิดความรําคาญอาจารย์พึงช่วยบรรเทาหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทาหรือพึงแสดงธรรมกระถาแก่อันเตวาสิกถ้าอันเตวาสิกเกิดความเห็นผิด อาจารย์พึงให้สลาเสียหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยสละเสียหรือพึงแสดงทำกระถาแก่อันเตวาสิกท่านเตวาสิกต้องอบดับหนักควรแก่ปริวาทอาจารย์พึงทําการควรขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรนอทรงพึงให้ปริวาติแก่อนันเตวาสิกท่านเตวาสิกควรแก่การชักเข้าหาอาบัตบเดิมอาจารย์พึงทําการควรขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอสทรงพึงชักอันเตวสิกเข้าหาอาบัติเดิมท่านเตวสิกควรแก่มานัตอาจารย์พึงทำการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสทรงพึงให้มานัตแก่อันเตวสิกท่านเตวสิกควรแก่อภานอาจารย์พึงทำการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอทรงพึงอภานอันเตวสิกถ้าทรงต้องการจะกระทำกรรมคือ ตัชนียกรรมนิยสกรรมปภาชนียกรรมปฏิสารนียกรรมหรืออุเคปนยกรรมแก่อันเตวาสิกอาจารย์พึงทำการมควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงไม่พึงทำกรรมแก่อันเตวาสิกหรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาหรือว่าอันเตวสิกถูกสงลงตัดชนียกรรมนิยสกรรมปภาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุเคปณียกรรม อาจารย์พึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนออันเตวาสิกพึงกลับประพฤติชอบพึงหายเย่อยิ่งพึงปรับตัวได้ทรงพึงระงับกรรมนั้นเสียถ้าจีวรของอันเตวัสิกจะต้องซักอาจารย์พึงบอกว่าพึงซักอย่างนี้หรือพึงทําการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอะคลไขพึงซักจีวรของอันเตวาสิกถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้อง herb, ตัดเย็บ อาจารย์พึงบอกว่าพึงตัดเย็บอย่างนี้หรือพึงทำการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครใครพึงตัดเย็บจีวรของอันเตวาสิกถ้าน้ำย้อมของอันเตวาสิกจะต้องต้มอาจารย์พึงบอกว่าพึงต้มอย่างนี้หรือพึงทำการควนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครใครพึงต้มน้ำย้อมของอันเตวาสิกถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้องย้อมอาจารย์พึงบอกว่า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 จบพานาวานที่หกจบ